เป็นโรมเป็นอีส่วนเป็นอะไรก็ตามนะครับคือทางในระบบการการจัดจัดสารทางศาสนาเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนที่เชื่อไม่ว่ามีผู้สร้างเนี่ยคือทินะครับแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยแตกต่างไปตามศาสนานะครับก็ในแต่ละศาสนาเขาก็จะตีความเรื่องผู้สร้างอะไต่างๆนี่เหมือนกันเอทิสก็คือกลุ่มคนที่ไม่เชื่อไม่เชื่ อ, อผู้สร้างแบบนี้นะครับซึ่ง ณปัจจุบันก็จะเป็นแกนกลางทางความรู้ทางศาสนาหลักในแถวแถวยุโรปอเมริกาหรืออะไรฝั่งๆน้นะครับคือทางจีนทางอินเดียอาจจะมีการจัดระบบที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนอาเทวนิยมมาจากมาจากการแปลครับเอาคำเอาคาภาษาอังกฤษเนี่ยมาแปลอีกทีหนึ่งนะครับคือก็ A ก็คืออ่ะก็คือไม่นี่เลยนะครับเทวเนี่ย เทวาก็คือ t s หรือ t h e ห ร, หรเนี่ยนะครับิงจริงมันคือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าพอพอมันมันเป็นภาษาไทยเนี่ยซึ่งภาษาไทยมันก็ไปยืมมาจากอินเดียอีกทีหนึ่งนะครับมันก็มาจาก d e v ีเดวาอะไรมันจะเป็นคำตระกูลเดกันซึ่งก็ยืมมาอีกทีหนึ่งนะครับพอมันเป็น เทวะนะครับเราเราเราจะเห็นภาพคําว่าเทวะแบบไทยๆเราก็จะนึกถึงคนใส่ชดาไม่ใช่คนศรีเทวดาใส่ชดาแบบที่เราเห็นกันตามภาพวาดอะไรในประเทศไทยนะครับใส่ชดาบ้างใส่เครื่องทรงอะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆจริงๆคําว่าเทวะมันเป็นคําที่กว้างนะครับคือมันเป็นคําที่กว้างมันเป็นคําที่บอกได้ว่า เ, เราเราอาจจะหมายถึงอะไรก็ได้ที่ อยู่เหนือจากมนุษย์ขึ้นไปแล้วเราอ า, อาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะมีคนมองเห็นก็ได้นะครับคือมองไม่เห็นคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นละกันนะแต่ว่าโอเคโดยโดยประวัติศาสตร์ก็มาอย่างนี้เราเราอาจจะเข้าใจว่ า, าเขาเรียกไงมนุษย์เราอาจจะแบ่งนะครับเทวะเป็นหลายๆแบบนะครับอ่าเขาเนี้ย ไอ้เรื่องที่มาของคําศัพท์เนี่ยมันก็มีการแปลโดยอาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพแต่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมถ้าแปลว่าเอติสแปลว่าเทวานิยมเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยตรงนะครับเอติสหรือเอติซึ่เนี่ยจะบอกว่าเอลิยมมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ถ้าในในภระไตปิดกจะบอกว่าเทวะเนี่ยในพระาบรปิฎกที่ว่าเป็นผู้สร้างเนี่ย ท, ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างเนี่ยเขาจะเรียกว่าพรม นะครับหรืออีสวนซึ่งอีส่วนในภาษาบาลีก็จะเรียกว่าอิสระนะครับอ่าซึ่งอีส่วนนี่คือคือการถอดถอดเสียงแบบสันสกฤตนะครับส่วนอิสระก็คือถอดเสียงแบบบาลีนะครับซึ่งประเทศไทยเรายืมยืมคําทั้งบาลีทั้งสันสกฤตแล้วแต่จะใช้ในแต่ละประโยคส่วนนิยมก็คือเป็นการอธิบายถึงลัทธินิยมอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าในพระไตรปิฎก ในทางพูดก็จะเรียกว่าวัฒนะครับหรือว่าทัศนะมากกว่านะซึ่งซึ่งคำพวกนี้บางทีเรายืมจากอินเดียมาเนี่ยพอคำมันเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยความหมายมันก็จะอาจจะขยับไปนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในเค้าโครงเดิมๆนะครับส่วน IR นะครับ IR ตอนนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่มียังไม่มีการแปลเป็น เป็นคําบาลีซื้อสันสกฤตผสมที่สละสรุยเนาะก็เลยผมก็เลยใส่อันนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ค่อยอยากจะใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าหนึ่งคือมันยังไม่มีแปลไทยนะครับสองคือเอ่อมันประหยัดที่นะครับเพราะว่าขับเฮาส์มันพื้นที่มันจํากัดเนาะในการตั้งชื่อเนี่ยพยายามจะใส่ให้มันพอดีถ้าพื้นที่มันน้อยก็จะสวัสดีคุณทานนอสอยู่เพื่อนผมหน่อยได้ไหมอ่าขออนุ ญ, ญาตนะครับเอ่อขออนุ ญ, ญาตเชิญโทร้นเจ้ I อก็คือคนที่ไม่มีศาสนานะครับไม่มีศาสนาไม่เชื่อศาสนาเลยนะครับก็คือคือคําว่า IR เนี่ยมันจะกว้างกว่ามันจะกว้างกว่าสองคำแรกนะครับแต่ว่าไออาร์อ่าไม่สะดวกไม่เป็นไรครับคือ IR เนี่ยมันจะกว้างกว่าสองคำแรกเพราะว่ามันเป็นคําที่บอกชัดเจนว่าปฏิเสธศาสนานะครับแต่คําว่าเอติสนี่คือ ตัวคำของมันเนี่ยมันแปลว่าปฏิเสธผู้สร้างนะครับปฏิเสธพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยนะประมาณนี้นะครับอธิว่านิยมก็แปลมากทีออกคำมันเปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนภาษามันก็ถ้าเราไม่เข้าใจรากศัพท์ันทีเราก็จะงงนะครับแถมคนที่ประกาศว่าเป็น atheist ง ท, ทียังงงเลย <laughs> อส่วน sbnr นะครับ sbnr เป็น spiritual but not เลลิเจียนสป i ริตเชียลบ n ดนอเลลิเจก็คื อ, อกลุ่มคนที่ยังยังมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้นับถือศาสนาอะไรแบบชัดเจนหรือว่าไม่จำกัดศาสนาอย่างเงี้ยอย่างเช่นเขาอาจจะนั่งสมาธิเขาอาจจะเล่นโยคะเขาอาจจะดูดวงหรือว่าเขาอาจจ ะ, ะไปทำวิธีกรรมทางศาสนาได้โดยที่แบบ ไม่ได้รู้สึกเขาเรียกอะไรนะไม่ได้รู้สึกต่อต้านนะครับหมายถึงว่าคือบางคนเนี่ยต้องเข้าใจยอย่างหนึ่งว่าเ อ, อเขาอาจจะไม่ได้ศรัทธาในศาสนานะแต่ว่าเพียงแค่เขาอาจจะทําอะไรให้มันไหลลื่นไปตามสังคมโดยที่ไม่ไม่ไปสร้างความขัดแยง้งแต่ว่าในใจอาจจะไม่ได้ไม่ได้เชื่อในพิธีกรรมตรงนั้นว่าเออมันทําแล้วมันได้ประโยชน์อะไร โอเคแต่ถ้าอย่างอีกบางกรณีก็คืออย่างเช่นทีพ่พี่พีขอขัดป๊บนึงที่พี่บอกว่าหนูเป็นเอสบีรเหรอมันประมาณนั้นนะ ม, นมันเหมือนเอติส์นะแต่เป็นเอติส์ที่แบบว่าไม่ได้ต่อต้านศาสนาแบบรุนแรงขนาดนั้นนะ่ะแล้วดูเป็นแบบกึงก่งๆึงใช่มันจะอยู่ตรงกลางคือต้องบอกก่อนนะว่าหนูอ่ะไม่ได้เชื่ออะไรเลยเชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าแล้วเชื่อความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าแต่ว่าถามว่าต่อต้านไหมไม่หนูไม่ได้ต่อต้านไม่เลย และอยากให้อยากให้คงไว้ซึ่งศาสนาด้วยซ้ำทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่าโอเคที่พี่บอกว่าถ้าจะบอกว่าเอทีเอสหรือว่าอ ะ, อะไรเมื่อสมัยก่อนอะ่ะมันไม่ได้มีศาสนาถูกไหมพี่มันจะพูดในเชิงนั้นซะทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีผีมาแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วที่ทีเนี้ย มันน่าจะเป็นคนที่เขามีอำนาจบางอย่างหรือการรวมคนหรือต้องการอำนาจทางการเมืองบางอย่างตั้งแต่สมัยก่อนใช้ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกุสโลบายในการรวมคนในการให้ได้มาซึ่งอำนาจมากกว่าน่าจะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าอยากจะให้คงไว้ไหมเห็นด้วยในการคงไว้นะคะไม่ไม่ปฏิเสธและก็ไม่ต่อต้าน หมายความว่าคือในในในตัวองค์กรศาสนามันมีปัญหาแน่ๆคือคือถ้าจะพูดเป็นกลางๆอ่ะทุกศาสนานะมันในองค์กรศาสนามีปัญหาเพราะว่ามนุษย์เรามันมีทั้งดีทั้งชั่วปนกันแล้วมันก็มีปัญหาต่างๆที่มันคิดไม่ตรงกันใช่ไหมในระบบองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นไปนับถืออะไรแบบว่าต่อตามอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องมันก็จะมีปัญหาภายในอ่ะยิ่งองค์กรใหญ่เร า, าต้องยอมรับตรงนี้ แต่ว่าไอโดยที่มาของศาสนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยในยุคแรกเนี่ยศาสนาบางศาสนาคือมีความเป็นการเมืองอย่างเช่นเอาเอ า, เ, อาเราพูดได้ง่ายอย่างายูดาหเนาะกษัตริย์โซโลมอนเคยได้ยินกษัตริย์โซโลมอนไหมกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยโดยความเชื่อของชาวยิวและชาวคริสต์นะครับแล้วก็ศาสนานที่3เนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นศาสดาแต่ว่าตัวโซโลมอนเองเ่ยควบตำแหน่งกษัตริย์ด้วย แล้วก็ทูบตำแหน่งหมอผีคือมีเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเรียกหมอผีอะ่ะคือเลี้ยงเลี้ยงผีอะ่ะคือเป็นทั้งเปทั้งหมอผีด้วยเป็นทั้งศาสดาเป็นทั้งกษัตริวะเป็นเจ้าเมืองคือเป็นเจ้าเมืองที่เล่นของเล่นเลี้ยงผีอะไรต่างๆแต่ะปัจจุบันนี้ก็คือว่าใครที่ไปทําอย่างโซโลโมอนไม่ได้ถือว่าผิดเพราะว่าพระเยซูมามาแล้วแล้วก็มาเคลียรเรื่องพวกนี้แล้วอะไรโดยความเชื่อนะอ่าแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือโซโลโมอนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดว่า ขุนท้ากษัตริย์โซโลโมอนเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจทางการเมืองด้วยมีอํานาจทางจิตวิญญาณแล้วก็นั่นแหละเลี้ยงผีแล้วก็เล่นกระถุงกราอะไรพวกนี้ต่างๆนะโดยโด ย, โด ย, โ, ด ย, โ, ดยโดยที่เขาเขียนไว้ในคัมภีร์คราวนีอ้อันนี้คือคืออันนี้คือศาสนาที่มันมากับการเมืองศาสนนี้มากับการเมืองใช่แต่ถ้าในทางตะวันออกมันมีมันไม่เหมือนกันนะครับในทางตะวันออกเนี่ย ถ้าเราจะดูพุทธกับเต๋าเนี่ยอันนี้ออกจากแล้วก็เชนเนาะพุทธเต๋าเชนเนี่ออกจากการเมืองชัดเจนเพราะว่า เ, เจ้าชายกิจธากับพระมหาวีระเนาะที่เมื่อก่อนเป็นเจ้าชายแล้วก็ออกมาบวชอย่างเงี้ยส่วนอีกคนนึงเล่าจื้อนะก็เป็นบรรักษ์ในในห้องสมุดสักที่หนึ่งนะครับผมจำเมืองไม่ได้ละแล้วก็เขียนคำพีไว้เล่มเดียวเท่านั้นแะแต่คนก็ยกย่องเขาว่าเป็นศาสดาอย่างเงี้ย เขาเขาไม่ได้มีอํานาจทางการเมืองเขาเป็นแค่บรรลักษ์ทํางานให้ให้ห้องสมุดนะครับแล้วก็ออกมาจากตรง น, นั้นแล้วเขาเขียนคำทิ้งไว้เล่มหนึ่งแล้วเขาก็เดินทางหายไปในป่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวการเมืองอะ่ะมันแต่ละศาสนานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนส่วนฮินดูนี่มันค่อนข้างมันค่อนข้างเรื่องมันยาวนะผมไม่ถนัดเท่าไหร่นะพระอาจารย์แมวมาให้จาําแมวเล่ากันนะ คราวนี้อ่าวนกลับไปที่หัวเรื่องกนะ็คืออทิสเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงอัเทวานิยมเสมอไปนะครับแล้วก็อัตเทวานิยมก็อาจจะไม่ได้หมายถึงอทิสนะครับแต่ในยุคก่อนเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยเราเราจะใช้คําว่าอาัเทวานิยมในตําราเรียนนะครับตําราเรียนศาสนาต่างๆแล้วเราจะจัดเราจะจัดหมวดหมู่ว่าอ่าพุทธศาสนาเป็นอเทวานิยมนะครับมีการจัดหมู่หมู่เพราะนั้น แต่จริงๆเอาข้อจริงมันก็ไม่ใช่แล้วที่